อาศัยขรบวนการที่การไม่มีอะไรจะยิ่งไปกว่าบุญกุศลถึงวัดชมรมของพวกเราท่านดอุบัติขึ้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่ตอนแรกจนทั้งเจริญก้าวหน้าเติบโ ต, ตมาจนถึงวาระนี้ทุกวันนี้ท่งทายกันมาเรื่อยมอบหมายกันมาเรื่อยเป็นรุ่นเป็นขราวเป็นวาระก็เพื่อความผาสุก ข, ของ หมูมวนมหาชนเป็นที่ตั้งอย่างที่ว่านั้นด้นกิริยาการด้วยความสำนึกหรือความตรึกปรองใครควรดูแลว้ววัวิธีการอย่างนี้ล่ะจะเป็นที่หล่อหลอมรวมจิตรวมใจรวมจิตรวมใจร่วมกันเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันในขณะเดียวกันถ้าไม่ระวังรักษากิริยาการที่ขามาทากิจการซึ่งเป็นงานบุญแท้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 คิดอย่างนั้นน่ะคิดแคบๆอย่างนั้นน่ะเพราะต้นทุนเดิมก็คือความคับแค บ, บตีตันมัจฉริยตติทีเหนียวห้วงอ่วงเป็นธรรมดาผลความแข่งความมัจฉริยะเป็นอย่างไรผลของความคิดตนติทีเหนียวมัจฉริยะและเหยื่ละอ้อพิถีพิถันในความถือครองเยึดของจ้ารทั่งไม่บริโภคใช้สอยกลายเป็นมัจฉริยะแค่จะทาบุญทาทานมันก็ยังเอา สิ่งเหล่านั้นมาหลอกจากระงั่งเจ้าของก้าวขาไม่ออกทำไม่ได้เพราะทำไปทาไมเรือเฟือส่วนเกินไอ้ส่วนที่ว่ามากมายนั้นมันมีของเราบางไมคนั่นคิดอย่างนั้นถ้ายังไม่มีของเราก็อจองปลงวางภาร ะ, ระเพื่อให้มีส่วนร่วมของความเป็นเราทำก็ทำด้วยความอาถรรพ์ร่าเริงเ ร, งเรื่อนเบันเทิงจิตบังเทิงใจเพราะอะไรเพราะเรามีส่วนร่วมในสิ่งเหลนี้มากๆนั้น ม้าก็มีหนึ่งในจานวนนั้นก็คือของเราภูมิ อ, อกภูมิใจพ อ, ออกพอใจในส่วนถึงจะมันเป็นส่วนพอส่วนเกินส่วนต่างก็ให้มันทาร้ายทำลายสิ่งที่มันกัดกร่อนภายในจิตในใจก็คื อ, คอมัจฉริยะอนอนเห็นไหมน่นะเด็กกลังครุกปนอยู่นั้นเห็นพระเจ้าข้านั่นแหละมหาเสืผีชื่อนั้นชื่อน้นเพิ่งตายไปปีที่แล้วนี่บานนี้สมบัติเขายัง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 ระโสยถาสัพพิโยวิวัชันโตสัพโรโคโวินสัสโตมาเตพวัตมันตรายโสขิทีคาโยโควะอภิวาธนาศิลิสนิจจางุทธาปจายินโนจัตตารโอธรมาวัานติอายุวันโนสุ ข, ขังพลาลังอายุวัธกาธนวัตกาสิริวัตกา ยาสวัตกาพลวัตกาวันณวัตกาสุขวัตกาโหตุสัพพธาทุกขโรคาพยาเวลาโุขาสัตตุจุปัถวานะในการตรายาปิวินาสันตุจเต ช, ชะสาเฉยสิทธิทธ์ทนาลาพังโสธีภะขยำสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุธีเจยศวะสัตวศสาจะอายุจ่